อย่างเข้าใจอย่างที่น้องก็าเพูดเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบความหาอย่างพี่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันว่ามันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอย่างนี้ยค่ะก็จะมีความสึกตรงนั้นแต่ถ้าอย่างที่หลวงปู่หลวงตาบอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่ามันจะเห็นอะไรมันก็คือมันก็คือแบบนั้นนะคะใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้องไปไปค้นไปอะไรอยู่แล้วแล้วสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้คือต้องไม่ยึดอะไรแต่ว่าคือตัวเองเนี่ยตอนนี้มันก็ยังแบบมันเหมือนเหมือนเหมือนไปรู้อะไรแล้วมันยังมีความชอบไม่ชอบแล้วมันก็จะเข้าไป เขาไปทําของมันเองอะค่ะหลวงตาแบบนั้นมันแต่แต่ก็คือมีความสุกว่ามันก็ต้องรู้มันไปอย่างนั้นเพราะเราทําอะไรมันไม่ได้ก็ถูกต้องนะค่ะก็ต้องดูมนไปอย่างนี้มันมีความชอบไม่ชอบแล้วมันก็เข้าไปปรุงแต่งไงมันก็เป็นเรื่องของขันห้าที่มันมันปุ่งอย่างนั้นเนี่ยอืแต่เราไปพยายามกันมันแน่ไอ้ที่มันไม่ชอบทำให้มันชอบไปแทรกแซงมันด้ไปแทรกแซงเนี่ยมันก็ไม่กลายเป็นกิเลสไปยึดถือจริงๆริแต่ถ้ามันมีแต่ ปรุงอะไรปรุงรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราตัวเราปรุงเป็นความชอบไม่ชอบอะไรแต่เราเห็นว่ามันมันเป็นขันห้ามทั้งปุงได้ไม่มีใครก็ไปไปแทรกแซงไม่มีใครก็ไปเสวยไปรองรับไม่มีกิเลสอะไรเพราะขันห้าไม่ได้มีกิเลสต่อแต่ขันห้าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้ต่อให้มันปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราตัวเราตัวเราชอบตัวเราไม่ชอบแต่ไม่มีผู้เข้าไปรวมวงไพบูรด้วยไม่มีผู้เข้าไปแทรกแซงมันก็ไม่มีกิเลสอะไรเพราะเป็นธรรมธรรม ธรรมชาติของขาน่าแต่แท้มันปรุงได้แต่ถ้าไม่มีมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียมีตัวเราก็ผสมด้วยไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมันก็มันเหมือนก็ยังเหมือนก็มันจะเข้าไปทําเนี้ยเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวหลีเดี๋ยวเดียตรงนี้นีเส้นจะแดงผ่าแปดดนหลีตรงเนี้ยขนาดเข้าใจอย่างนี้มันมันคอยจะเข้าไปทํามันคอจะเข้าไปทำมันมันแวะเข้ามาแล้วมันก็ไปนี่มันจะมันมันจะเข้าใจมัน มันตามันก็ไม่หลุดนะเข้าใจหลีเลยอ่ะเพราะหลีตั้งเป้าจะไปเอาตัวที่หลุดใช่เนี่ยเนี่ยเพราะว่าหลีตั้งเป้าจะไปเอาตัวที่หลุดมันไม่มีตัวที่หลุดเนี่ยเนี่ยเพราะไปไปตั้งเป้าหมายที่ผิดว่าจะไปเอาตัวที่หลุดมันไม่หลุดอ่ะมันไม่หลุดมันไม่หลุดจะเอาตัวที่หลุดมันไม่มีหลุดหรอกมันไม่แต่รู้คือมันไม่หลุดก็ได้แต่รู้ไง ถึงมันหลุดแล้วก็ได้แต่รู้มันไม่แต่รู้นะไม่หลุดมันก็ได้แต่รู้หลุดมันก็ได้แต่รู้มันหลงก็ได้แต่รู้ไม่หลงก็ได้แต่รู้เพราะว่าธรรมชาติมันได้แต่รู้ไงไอ้ตัวที่ไปช่วยอะไรได้เป็นเรื่องของขันหน้าที่ต้องเอาไปช่วยสติสมาธิปัญญาไปช่วยได้แต่รู้เนี่ยธรรมชาติของรู้มันได้แต่มันได้แต่รู้แต่หลีเน despair, ี่ยมันมีความคาดหมายว่ามันไม่หล changer, hinaus, richtige, ุดเนี week, poor, referee, ừ, ่ยหนูไม่หลุดมันไม่หลุดมันไม่หลุดเนี่ยเอ้าก็แล้วหนูรู้ได้ยังไงหรอหลีรู้ได้ยังไงว่า มันไม่หลุดรู้ได้งไงว่ามันไม่หลุดตัวนี้สำคัญมากนะนี่หัวใจเลยเนี่ยตอบให้ดีมันก็มีตัวหนึ่งที่มันรู้ว่ามันมันมีตัวหนึ่งที่มันรู้อะว่ามันมันมันก็มันก็บอกว่ามันไม่หลุดใช่ไหมคะก็นั่นแหไอ้ตัวที่มันรู้ว่าไม่หลุดนั่นแหละคือพุทธะคือธรรมชาติแท้ๆในส่วนมันไม่หลุดก็เป็นเรื่องของขันห้าไป ไม่ต้องไปต้องรู้แล้วต้องหลุดเพราะอะไรธรรมชาติของพุธธทธะแท้ธรรมชาติของรู้ทแท้มันไม่มันไม่สามารถที่จะหลุดหรือไม่หลุดอะไรได้เพราะว่ามันได้แต่แค่รู้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนที่จะไปหลุดอะไรและไม่มีตัวตนที่จะไปติดอะไรมันจึงไม่มีทั้งติดและไม่มีทั้งหลุดนั้นตรงนี้ะหัวใจสำคัญเมื่อกี้ตรงนี้เลยได้ปะลิบอกว่ามันไม่หลุด มันไม่หลุดมันไม่หลุดทำไงก็ไม่หลุดพยายามยังไงก็ไม่หลุดแล้วหลีรู้ได้ยังไงว่ามันพยายามมันพยายามพยายามจะพยายามทำไงมันก็ไม่หลุดจะพยายามไงก็ไม่หลุดมันจะหลุดหรือไม่หลุดไม่ใช่สาระสาคัญสาระสาคัญอยู่ตรงที่ว่าเรารู้ได้ไงว่ามันไม่หลุดตรงนี้ไอ้นั่นแน่ผู้ที่รู้ว่าไม่หลุดนั่นแน่คือพุทธะ ธรรมชาติแท้ๆและธรรมชาติแท้ๆไม่มีติดไม่มีหลุดงนั้นอาการที่มันติดอาการที่มันไม่หลุดนั่นคือขันธ์หน้ามันถึงติดอะไรได้ถึงมีความรู้สึกกับมีตัวมันหลุดได้แต่ธรรมชาติแท้ๆมันได้แต่รู้พระเจ้าทั้งหลายพบผู้รู้อันนี้นะ่ อยู่กับรู้อันนี้รู้ซื่อๆ อ, อย่างที่มันเป็นรู้แล้วไม่ใช่ต้องหลุดแต่มารู้ที่ไม่หลุดนั่นแหละดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องหลุดหรือไม่หลุดเพราะมีแต่ความรู้ถึงรู้แล้วมันจะไม่หลุด มันก็มีความรู้ไว้เฉยมีแต่ความรู้ว่าไม่หลุดรู้แล้วมันจะรู้สึกหลุดมันก็เป็นแต่ความรู้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่หลุดมันก็เป็นทุกขเวทนามากเลยนในใจแต่ต่อไปเป็นทุกขเวทนามันก็เป็นทุกขเวทนาขันเดี๋ยวพอไปได้อะไรถูกใจมันก็เป็นสุขเวทนาขันมันเป็นเรื่องปกติสุขทุกขถูกใจไม่ถูกใจเป็นเรื่องปกติของขันไม่ใช่สาระสาคัญสาระสาคัญคือ พอมันไม่ถูกใจมันไม่หลุดมันหลุดแล้วถูกใจใครรู้ละ่ะแต่ละสาคัญอยู่ใครเป็นคน ร, รู้แน่ะพุทธะมาแล้ไม่ใช่มันรู้ทำไมมันยังไม่หลุดเขาใจผิดอีกมันต้องมันได้แต่แค่รู้มันไม่ต้องการความหลุดหรือไม่หลุ ด, เ, ดเขาเร็วอะไรนะเส้นผมบางภูเขานิดเดียว คี่ผงเข้าตาเราไปหาสกไกลมันอยู่ที่ใจเรานี่เองพอใจมันเป็นธรรมชาติที่มีแต่ความรู้ใจหรือจิตเดิมแท้ๆมันมีแต่ความรู้ตัวตนของใจไม่มีแต่เราไปหาสักไก่ส่วนที่มีอาการได้ ที่รู้สึกว่ามันติดรู้สึกว่าไม่ติดรู้สึกว่ามันหลุดได้รู้สึกว่าไม่หลุดได้อะไรที่รู้สึกรู้สึกอ่ะเป็นเวทนามมนมันเป็นเวทนามันเป็นขานาัหน้าแต่ที่มาู้วามันเป็นอย่างไรเป็นอะไรนะคือใจหรือจิตเดิมแท้พบอะไรก็พบใจนี่แนะ่ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงปานิพานแต่ไปหาสกายเลยจะเอาตัวเราไปหาอะไรเป็นอะไร นั่นก็หลงผิดกันมายาวนานอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติท้ายมันก็มีแต่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรเลยที่ปรุงแต่งนอกจากขันธ์หาแล้วมันปรุงแต่งหมดปรุงแต่งดีปรุงแต่งชั่วปรุงแต่งถูกใจไม่ถูกใจปรุงแต่งอึดอัดปรุงแต่งติดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งแสกแซงปรุงแต่งพยายามอยากปรุงแต่งเป็นตัวเราจะพยายามช่วยปรุงแต่งมันมีแต่ขันธ์ห้าปรุงแต่งทั้งนั้นเลย สนใจหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธามีแต่ความรู้อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเครื่องมือก็ไม่มีกิริยาการใดๆก็มีตัวตนก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นกิริยาการสองฝั่งไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีว่าคิดหรือไม่คิดอะไรมันมีแต่ความรู้คิดก็รู้ไม่คิดก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ สุกกะรู้ไม่สุกก็รู้ฟุงซ่านก็รู้ไม่ฟุงซ่านก็รู้มันมีแต่ขันธ์หทั้งงานที่มีอาการแสดงได้แต่ธรรมชาติของรู้หรือใจแท้ๆที่เด็ดแท้ๆมีแต่ความรู้อย่างเดียวฟุงซ่านก็รู้สงบก็รู้ผ่องใสก็รู้เศร้าหมองก็รู้ฟุงซ่านแล้วธรรมชาติของใจหรือจิตดังเดิมแท้ๆที่เป็นพุทธะที่มีแต่ความรู้รู้แจ้ง รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้สิ้นลงแล้วเนี่ยมีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ใช่ว่าพุทธะคือตัวเราเป็นพุทธะมีแต่ธรรมชาติของธาตุแ ท, แท้ที่เป็นรู้รู้รู้ที่ทําไมเรียกว่าพุทธะก็คือเป็นธรรมชาติที่รู้รู้ไม่มีไม่สามารถจะยึดอะไรได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้เศร้า ม, มองไม่ได้ผ่องใสไม่ได้เมื่อมันมีความฟุ้งซ่านธรรมชาติของธาตุรู้ที่เป็นพุธธทธะตนใจหรือจิต ด, ดั้งเดิมแท้ๆเขาก็ได้แต่รู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ก็จะช่วยฟุ้งซ่านก็ช่วยไม่ได้ สงบก็ได้รู้ว่าใจสงบสงบแล้วจะพยายามรักษาให้ใจสงบเขาก็ช่วยไม่ได้ก็ได้แต่รู้อย่างเดียวเวลาทุกตัรฑร์ชาติของรู้ก็ได้แต่ว่ารู้ว่าตัวเราเนี่ยทุกจะช่วยตัวเราหายทุกก็ช่วยไม่ได้พอสุขก็รู้ว่าตัวเราสุขแต่ช่วยให้ตัวเราเนี่ยรักษาสุขไว้ไม่ให้ทุกข์อีกก็ช่วยไม่ได้อีกเขาเป็นธรรมชาติที่รู้ซื่อรู้ซื่อนิพานเนี่ย แต่เราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ซื่อจะเอาตัวเราเนี่ยไปทําให้มันไม่ปรุงแต่งจะพยายามให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งเอาตัวเราไปทําให้มันหลุดจะไม่ให้ตัวเราเนี่ยติดอกริยาการเหล่านี้เป็นขนันธ์หน้าจึงนั้นจึงปรุงแต่งได้ส่วนธรรมชาติของรู้ที่เป็นพุท ธ, ธะเขาก็ได้แต่รู้เราก็ดิกตัวไปทํำอะไรเสียวินาทีเดียวที่กระดิกไปมีอาการใัใดๆธรรมชาติของรู้ก็ได้แต่รู้แค่นั้นแหละ ทำอะไรไม่ได้แล้วธรรมชาติของรู้เนี่ยไม่สามารถไปไล่รู้อะไรได้เพราะว่าเขาไล่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเ ป, เป็นธรรมชาติที่มันมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้ร เ, ขรเขาจะไปไล่รู้อะไรก็ไม่ได้จะไปไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไม่ได้สักอย่างหนึ่งถ้าหลงไปแล้วก็ต้องเอาสติสมาธิปัญญาในขนันธ์ห้มาช่วยหาย ห, ายหลงแค่นั้นแหละ ลงไปแล้วก <unlucky S 2> ็เอาสติสมาธิปัญญาในขันห้าตัวเป็นตัวปรุงแต่งมาช่วยหายหลงแต่ธรรมชาติของรู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยว่ามันบคือมันได้แต่รู้มันมาเอามาช่วยไม่ได้สักอย่างเดียวหลงมันก็มาช่วยหายหลงก็ไปได้พอหายหลงแล้วมันก็ได้แต่รู้ว่าหายหลงแล้วถ้าเปรียบเทียบธรรมชาติของรู้ก็เปรียบเหมือนกับที่จกมือมือเปิบอย่างเดียวแต่ตัวที่มาช่วยจี่ตายคือขันห้าที่มาช่วยให้หายหลงแต่เวลาหลงธรรมชาติก็ได้รู้ว่าหลง พอหายหลงแล้วธรรมชาติก็รู้อะหายหลงแล้วก็เ okay, คนั้นเนี่ยแต่พอหายหลงแล้วธรรมชาติของรู้จะมาช่วยบอกว่าให้มันรู้อยู่เนี่ยอย่าไปหลงอีกนะะเมื่อไปขาดสติไปหลงอีกไอ้สติขนาน่าก็ต้องมาช่วยให้หลงอีกตอนนี่พอไปหลงแล้วธรรมชาติของรู้ก็ได้รู้แต่ว่าหลงแต่พอสติมีสติขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาธรรมชาติของรู้ก็รู้ว่านี่มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียว มันเป็นธรรม e ชาติแต่แต่แต่เราเนี่ยพยายามจะช like ่วยขันหน้าช่วยขันให้มันหายหลงไปช่วยขันให้มันหายหลงไอ้รู้เนี่ยมันหลงไม่ได้หรอกรู้เนี่ยมันหลงไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ตัวตนไม่มีมันจึงไม่หลงแล้วมันไม่ติดแล้วมันก็ไม่หลุดด้วยมันต้อไม่ติดทั้งไม่หลุดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันได้แต่รู้แต่เราพยายามจะไปช่วยให้มันไม่ติดช่วยให้มันไม่หลง ช่วยมันนะ่ะพยายามจะช่วยมันในหะ้มันไม่ไม่ไม่ปรุงแตง่งแต่มันนะ่ะปรุงแต่งไม่ได้ลงก็ไม่ได้ติดก็ไม่ได้พราะตัวตนมันไม่มีมันได้แต่รู้อย่างเดียวความเข้าใจแค่นี้เองเข้าใจด้วยใจเข้าใจด้วยใจเรียกว่าถึงใจถึงปณิพนั์เราพยายามไปหากัสกา็สกัยสุดขอฟ้า ที่แท้ใกล้เพียงแค่ริมตาเราหลวงปู่ทาจรุธโมจึงบอกว่าโน่นโน่นนนบอกกับเราว่าเดี๋ยวจะพาไปหาพระนิพพานเห็นเราหางนโงนเดี๋ยวจะพาไปหาพระนิพพานจับมือเราอยญ่เลยโอ้โน่นโบ่นน่จับมือเรายืดแบงหน้านิ้วชี้ไปนี่พระนิพพานอยู่ฝั่งโน่นฝั่งโน่นฝั่งโน่นฝั่งโน่นฝั่งน้ำริบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พันิพานอยู่ฝากน้ําฝั่งนู้นลิมตาเราไปหาสไกายเลยไปหาแต่อย่างอื่นแต่แท้มันอยู่ที่ใจได้แต่รู้นี่แหละกระจายไหมล่ะแค่นิมนก็หายเหนื่อยแล้วไม่แบกอะไรไม่ไปไม่พยายามอะไรไม่ไปวุ่นวายกับอะไรมันแค่รู้ตามธรรมชาติมันก็หายเหนื่อยหมดภาระ นี่ที่ท่านบอกว่าแบกขันหน้ามันไปของหนักเน้อเนี่ยปล่อยวางขันหน้าซะมันก็หายหนักหายเหนื่อยนี่ชาโตบรินีพุตโตเนี่ยดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยอดับความปัจจณาดับกิเลสดับตัณหาหมดดับสนิ ท, นทหมดทุกอย่างดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเหลือแต่แค่รู้ธรรมดาแค่นั้นนี่รู้อย่างเป็นธรรมดา